บุ๊ก <Book> 2สองดูสมาชิกครอบครัวฟามิลี่อปู่ตา l ละอาวยา่ายาย l ละอาว o นอ เขาและเธอลิแกชิพ่อลาปาโตรแม่ลาปาทริโนเขาและเธอลิแกชิลูกชายลาฟิโลลูกสาว เขาและเธอลีไคชีพี่ชายน้องชาย la ฟราตโพี่สาวน้องสาว la fratino เขาและเธอลีไคชี ลุงอาณาละออนคลอป้าอาณาละออนคลีโนเขาและเธอลิไิไชเราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่เอสตัสฟามิลิโอ ครอบครัวที่ไม่เล็ก La Familio ne Estas Mal Granda ครอบครัวใหญ่ La Familio Estas Granda